ชีวิตนี้ถ้าไม่มีธรรมะก็เหมือนกับมีร่างกายนี้แต่ไม่มีลมหายใจนะคราวนี้มันดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลมหายใจไม่มีการทํางานของอวัยวะนะชีวิตจิตใจก็เหมืนกันจิตใจถ้าไม่มีธรรมะก็มืจิตใจที่ตายนะมันจะมีชีวิตกินเลี้ยได้กินดิ่มขับถ่ายได้แต่ก็เปคนที่ตายไป ไม่เพราะว่ า, วามันอยู่ น, นิ่งมันไม่มีสติชีวิตที่ไม่มีสตินี่คือชีวิตที่เราตายจากคุณงามคนดีตายจากธรรมนะตายจากศีล น, นะแต่การตายในทางจิตใจนะมันทสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ได้เร็วได้ไวกว่การที่เราตายในทางโลกนกะารที่ตายในทางด้านกายนะ ไม่รู้จะตายแล้วจะไปไหนตาแล้จะไปเป็นอะไรนั่นเราไม่รู้หรอกแต่การตายในทางจิตใจการนั่งการนอนของความคิดการหลงไปกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวกันมาได้ครับชีวิตก็กลับมาเป็นปกติได้การกลับมาเป็นปกติของจิตนี้คือการที่เรากลับมารู้ชีวิตน การปัติธก็ไม่ใช่อะไรเกินเไกลนะก็เป็นเพียนแก่นการนะที่เรารู้จักใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องชีวิตทีใ่ใจไม่ถูกต้ององ่ะไม่จะมีกายนี้ไม่จะมีจิตใจนี้แต่จะากายนี้ใจนี้รับใช้กิเลตมีไม้เคล่อขาสังร้องความสำเร็จของเราก็เอาไปทำงานรับใช้กิเลสอ่ะหรือใครที่เป็นคน ถ้าเราเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทบริษัทที่กิเลสเขาตั้งเขาจะใช้เราทํางานตามแผนงานที่เขาวางไว้ถ้าเราทํางานตามบริษัทของกิเลสเขาจะให้เงินเดือนให้โบนัสให้ผลตอบแทนงเราแต่ถ้าเมื่อไรที่เราได้มีารู้ว่าบริษัทนี้มันมันไม่ทําประโยชน์ ให้กับตัวของเราเองไม่ถึงได้อยู่นสังคมเราได้ทำงานเาาบรยขอดเขาวันนี้เขาก็ยื่นฟ้งเขาวให้เราออกมาแต่การที่เราออกจากอำนาจของกิเลสได้นะก็คือการที่เรามีอิสรภาพที่แท้จริงนตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ดูที่เป็นธาตุของกิเลสก็ส่งการทำงานให้ให้ผู้ที่ทําให้คิด อ๋อตารก็ได้แต่กิเลสเขสั่งงานที่เราทำนะกิเลสเขาได้ใช้งานเราตามที่เขาบอกหมายแล้วเขาก็ให้รางวัลคือความสุขเจ้าครั้งเจ้าครายทั้นี้แหละนะผมคิดในทางดีก็ตามในทางที่ไม่ดีก็ตามถ้าไม่มีความรู้ตึกตัวถ้าไม่มีสติแล้วก็ทําไปกับความหลงละทํากับความเผลอ เราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นขวามสุชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เงียนไปได้ถนอมความยากได้ถนอมความอยากจะหยุดยากชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้ก็ได้ความสุขแต่พอเรารู้สึกอรู้สึกตัวว่าเราเป็นท่านของเขาเรารู้สึกตัวเราเดต่อต้านเขาเราก็กลับได้ทุกตอบแทงขึ้นมา ความทุกข์ที่เราเจอเป็นความทุกข์ที่เราพยายามที่จะไปต้านแต่ก่อ น, นเราดูว่าเราลอยตามกระแสน้ำไปเด้ยด่ยๆลอยตามกระแสน้ำ จะทวนกระแสทจะจะว่ายน้ำทวนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวของกระแสเกีเบ็ดนะก็พยายามที่จะว่าทวนมันตํร ง, งมันยากยา ก, ก้ความไม่อยากไปต้านเลย่ะมันคิดอะไรก็ห้ามความคิดเลยแบบนี้คือวิาการที่เราพยายามที่จะทวนกระแสของเกีเบ็ดแตรงแต่ยิ่งรู้สึกว่าทวนเท่ไหร ร่างกก็จิตใจเขาเรมีสุขุมหนักมันหน่อยว่าเท่นั้นความตัต้างทันนานในการทวนทวนกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะทวนขึ้นรุกเหนื่แล้วก็ต้องปฏิบัติขึรนลกุกเหนื่อยออกต่อ อ, อีกขึ้นความคิดคขึ้นความหลมเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ลวินาทีไม่ปล่อยให้เราพักไม่แต่ตอนนอนก็ไม่ปล่อยให้เราพักสักที ที่แบบนี้ก็ยิง่งเหนื่อยยิ่งล้านะยิ่งอ่อนเพียแต่ถ้าเพียงแค่เราไม่ไ่วทนเขาไม่ไ ห, ไไห้ตามเขาแต่เรามีเป้าหมายของเราคือเราดูว่าฝั่งอยู่ทางไหนจะเป็นฝั่งทางซ้ายก็ดีฝั่งทางขวาก็ดี เรจะเรยนเกษตน้ำแล้วเราไว้ก็หาฝฟ่งเห็นฟองแล้วก็ไหวขหาฟ่งไม่ใช่การทูลแลก็ไม่ใช่การตาม An-an An ก็มีเป็นชีวิตที่ต้องคอตั้งกระแสของกิเลสตึงหางอะไรแต่การที่เราได้ว่าไหวขวางฝันนี้คือการที่เราเพียงแค่รู้ว่าเราจะเปดินทางไหนแล้วเราก็เดินทางนั้นในขณะที่เดินทางในขณะที่ไหวอาจจะมีแรงต้างอาจจะมีแรงผลทางมันก็เป็นเพียงแค่หรือว่าบอทดสอบมือแรงที่เดินทางนี่ยมันไม่ใช่เป็นอุกุรลนะแต่มันเป็นเรียกว่า มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นระบางทางจะเป็นสิ่งที่เราชอบก็ดีสิ่งที่เราไม่ชอบก็ดีสิ่งที่ผมนัดเขาเรียก็ดีก็ดีผมนัดเขาเรว่าไม่ดีก็ดีแต่ทุกอย่างนะถ้าเรามองถ้าเรามองตามความเป็นจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันดีเท่านั้นอืดีในแง่ไหนดีในแง่ที่ให้เราได้เรียนรู้ดีในแง่ที่เราได้เป็นบททดสอบ อย่างเงี้ยให้เราได้สัมผัสกับรสชาติความสดบ้างความทุกบ้างความผิดบ้างความถูกบ้างความสำเร็จบ้างความย่ำแย่บ้างนะในชีวิตนี้ไม่มีใครได้สัมผัสแต่รสชาติของความสุขอย่างเดียวไม่มีใครได้สัมผัสแต่ระชาติของความทุกข์อย่างเดีหรอกไม่มีใครไม่เคยทําผิดไม่มีใครทําถูกตลอดชีวิตเนี่ยทุกคนทุกคนก็ต้องเรกา ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความเหนีะน่ยแต่เพียงแต่ว่าขณะที่เหนียว้ะก็มีความภาพเพียรขณะที่จิตใจท่อแท้ท่าถอยก็มีความพัดสู้ขึ้นมาเหืนบางทีแล้วก็มีความกลัวเกิดขึ้นะกลมีความกลัวเกิดขึ้นกลัวความทุกบ้าง คามกิบ้างความาาดั้งเดิบ้างแต่มาว่าเนี่ยผู้กล้าเนี่ไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีความกลัวแต่เคือผู้ที่เ้าก้าประชุมความกลัวนะความกล้าในที่นี้นะเราต้องเป็นเป็นผู้ที่กล้าประชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างผู้กล้าไม่ใช่ผู้ที่ไม่เคยกลัวแต่เขาเป็นผู้ที่กล้าประชุมกับความกลัวในจิตใจของเขาเอง กิเลสตันหาเดินไปฝักในวางทางที่เราเดินก็เหมือนกันนะถ้าเรากล้าที่พร้อมที่จะเผชิญทุกอย่างจะดีก็ตามจะแย่ก็ตามจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามกล้าที่จะเผชิญทุกอย่างอย่างที่เขาให้บทตั้งต่อคชีวิต่างนะผู้กล้าต้องเดินแบบนี้เนาะผู้ที่มั่นคงในเส้นทางของชีวิตหรือพวกเราเป็นนักบวชเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีเป็นญาติโยมที่ตั้งใจจะ ออกจากเรียนแล้วก็ไดีนะเพื่ที่้ามีจุดหมายในการใช้ชีวิตพอชีวิตนี้จะเดินทางสูกความไม่ทุกขตัทางสู่สิ่งที่พุทธองท่านตัดไว้ก็คือชีวิตของพรมิจฉันพลมิจรันไม่ใช่การแค่มีศีลเป็นพระเป็นชีวิหรือเป็นสู่เป็นแต่หรือาการหน้วเป็นครอบครัวนะชีวิตพลมจันคือชีวิตที่ปิะเสรี เราะเสธในที่นี้มีถึงแม่เราอยู่อย่างปฏิเสธนะอยู่อย่างประเสธก็คืออยู่อย่างผู้ที่มีปัญญาแต่นี่น้อยนะในระหว่างที่เราใช้ชีวิตเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีเป็นญาติโยมก็ดีในบางขณะเราก็ยังเป็นแค่สมมุติเป็นสมมุทรติสมเป็นสมุทรไม่ชีเป็นสมุทรอุบาสิกอุบาสิกาเป็นสมุทรทั้งนั้นแหะแต่เ่าไปตั้งเล็กม อสัยสมุดนี่แหละเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวหลอมประกอบที่เองงามของที่พระพุทธองค์ท่านวางไว้เพื่อจะให้เราหอมสิ่งที่เป็นสมุดนี่แหละให้เป็นสู่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างแท้จริงเหมือนพระด้านหลังของอาตมาเนาะเพราะพระธัวรูปองค์นี้ก็เกิดจากอะไรเกิดจากมูละหลายชนิดมารวมกันมูละต่างๆ ตอนที่ยังไม่ได้มาโลมนไฟนี่มนหล่อสูตแบบพิมพ์ก็มีสวยงามเป็นพระแบบนี้แต่พอเมื่อความที่สวยงามหรือวัสดุต่างๆพอมันประกอบกันตามสูตรที่มันพอเหมาะตามแบบพิมพ์ที่มันสวยงามสูตรตรงนั้นก็หล่อมาเป็นพระที่สวยงามเป็นที่เขาร้กราบบ้านของพวกเราชีวิตองคนเราก็เหมืนกันไม่มีสูตรของการใช้ชีวิตแล้ว ตรงนี้เราไม่ต้องคิดค้นใหม่เป็นสูตรที่พุทธองค์ตั้ง ต, ตัดไว้ให้กับเราฝ่อมพังท้อหลายกว่าปีแล้วนะเป็นสูตรที่เราไม่ต้องคิดเพียงแค่ลองทำตามสูตรนี้ดูไม่นานนะี้จะเป็นที่เรารู้แก่สูตรแต่เราไม่ใครทําเราจะต้องมีการนียว่าลําผิดลอนถูกทำไมเชื่อว่าคนที่เราพระไในผลงานแบบนี้นี่ตรนี้ไม่ใช่องค์แรที่เขาหลอก แต่แรกที่เข้ารอนับร้องไม่สวยงามก็มีตรวเยอะมากมายแต่ประสบการณ์ในการทํางานของเขาอืในการเล่าพระของเขาก็ช่วยให้เขาเล่าพระมีฝีงามมีเทคนิคมีพัฒนาการประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของน้ันก็เหมือนกันบางครั้งก็มีความผิดพลาดบางครั้งมีความล้มแหง แต่ความเกิดพลาดความยุ่งเึยิงน่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่ามันผิดเพราะอะไรมันผิดตรงไหนมันผิดอย่างไรนะมันลำเลียงอย่างไหนมันผูกอย่างใดนะมันเป็นประสบการณ์ที่อ่าเรียกว่าจิตเขาสามารถจดจํำนะประสบการณ์ทางโอกนี้เราใช้สมองในการจดจาใช้เทคนิคต่างๆที่คนบอกเราสอนได้แต่ประสบการณ์ทางทํามนี้ จิตมีการจดจาําจดจํ า, นนาอาการที่เคยผิดนี่แหละอาการที่ผิดนี่มันดีนักดานะเป็นเป็นครูสอนเราให้เรารู้ว่านี่คือเป็นผิดทางแล้วเนี่ยอาการที่ถูกก็ดมกีมีกันไม่ใช่ดูว่าอ้าที่ถูกันเป็นยังไงอ้ที่ผูกเป็นยังไรถ้าคนไม่การทั้งถูกทั้งผิดนี่ยล่ะเปล่าไม่มีใครเดินได้นะไม่มีใครเดินได้ตรงหน่ๆตลอดเส้นทางนี้หรอ ก, อกมันตะโดนถูกโดนผิดทั้งนั้นเนี่ย พวกเราก็เหมือนที่คล้ายเหมือนคนตาบอดนี่แหละนะบาคนตาบอดน่ที่รู้แค่ว่าทิศทางที่จะไปเป็นสือที่ตนไหนมีคนบอกทางว่าคนเดินทางเส้นนี้แต่ยังตาบอดเยอะก็บอกให้เดินไปตามเสียงนี่หูนี่แต่ที่เดินไปอาจจะต้องรบคู่คานอาจจะเจออะไรต่างๆบ้างอาจจะผิดทางบ้านแต่ถ้าคอยฟังหงคนที่บอก นำทางที่ถูกต้องนานนะรอบรอบนี้ก็เดึงไปถูกทางได้มีผิดมีถูกแป้งแต่ถ้าลองฟังเสียงคนนาทางตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ผิดเสียงตรงนี้นะมันมีอยู่ทุกวาวเลยนะเสียงตรงนี้มันมีอยู่ทุกวัยยาวต่อขนาดเลยไม่ใช่เสียงของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมบารมีนั้นอมันถูกทางแล้วก็แค่ดูเสียงในตัวเรานี่แหละนะเสียงตอนนี้ไม่ใช้หูฟังแต่เป็นเสียงที่ใจใจฟังใช้ใจในการตรวจสอบในครที่ทุ่ม ธรรมะนอกกายนอกใจนี้ก็มีแต่ถ้าธรรมะนอกกายนอกใจนี้ก็ต้องเป็นธรรมะที่เราเห็นเห็นสิ่งภายนอกเห็นคนอื่นเขาทําเห็นธรรมชาติเขาทําแล้วก็น้อมกลับมาดูตัวเองนะน้อมกลับมาดูตัวเองเมื่อเราดูตัวเองได้มีนะแหละธรรมะก็จะปรากฏแจ่มแจ้งในจิตในใจของเราธรรมะมันปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ทุกขณะนะในกายของเราในใจของเรานี่นมี อยูปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ทุกขณะอกกายนอกใจนี้ก็ปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ทุกขณะเนีตรองเห็นว่าคนตายดีได้ตายไาเสียเนี่ยตายถ้าถ้าใครตายดีได้ก็ได้ธรรมะถ้าตาร้ายก็ไม่ได้ธรรมะเนีมันไม่ใช่มันไม่มีนะมันอยู่ที่ตาของเรานี่แหละนะแต่เพียงแค่ค่อยๆพัฒนาความรู้ความสำนึกเนี่พัฒนาที่ตัวเราเองนี่แหละให้มันออกงานมากขึ้น เอามาเชื่อว่าเท่าเรามีววามีว่ามีวัดใดเส้นทางตรงนี้นะครับชีวิตนี่ชีวิตเราก็จะเดินถูกจุดหมายไปทางนีนทุกคนเอามาเชื่อมาเชื่อว่าทุกชีวิตสามารถเดินทางสู่ความไม่ตุได้แต่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมีของเก่าที่เขาสะสมมาต้องยิ้ได้ฟังบ้างทีนําปฏิบัติบ้างเล็ก น, น้อยก็สามารถ เดินไม่ถูกทางเดินเพื่อนเดินไม่เป็แต่บางคนอาจจะอาจจะต้องได้ยินได้ฟังมากต้งเจองควาทุกหนักหนักต้องอาศัยการผิดทางมากๆถึงสามารถเดินถูกทางต้องอาศัยเสียงคอยเตือนบ่อยๆถึสามารถเดินสู่จุดหมายได้ต้องอาศัยคนช่วยกระต้นดีเยอะนะแต่ตรงนี้ว่าถ้าคนนั้นไม่ดื้อเกไปถ้าคนนั้นยังรับที่จะเดินทางเป็นี้อยู่ มันก็สามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้เช่นเดียกันความเชื่อความดูไม่ใช่เป็นตัวกำหนดความยากความง่ายก็ไม่ใช่เป็นตัวกำหนดแต่ตัวที่สำคัญยิ่งกว่าที่สมายคิดนะก็คือว่าความตั้งใจของเราตั้งใจที่จะทําหรือเปล่าขยันหรือขี้เกตใช่ไห้แหละนะถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันง่ายแต่ถ้าเรา เห็นว่าความง่ายเป็เความใกล้ยกล้วยทํำนี่อะไรก็ได้อนนี้คือความขี้เกตยจผมที่ง่ายก็ทําให้สํเงงาเร็จความง่ายก็เช่นโดยกันถ้าเรารู้ว่ามันยากแต่ถ้าเัามีความเพียรในการดากบางที่จะทําเราก็สามารถจ ท, ทาสําเร็จได้เราเชื่อไหาในชีวิตนี้ของพวกเราสามารถทำงานที่ยากที่ตอ น, นดเด็กๆเราเชื่อไหมงานยากมากที่ตอนที่เราเร้่มงานข้างแรกเราเชื่อไว่ามันยากเมื่ได้มีแต่สาเร็จง่าย แต่บางหนึ่เราทำมันอือย่างที่ไม่ได้กํังวลใจมากมันก็สามารถทํำสำเด็จมาได้ในขณะที่ทํบางทีก็มีความกังวลใจแหละแต่สักวันนึ่งเราก็สามารถผ่านพ้นแล้วก็สำเร็จได้ปัญหาเนี่ยม่ใช่อยู่ที่ว่ายากหรือง่ายนะมากหรือน้อยแต่อยู่ที่ตั้งใจหรือเปล่ามีท้อแล้ว ขยันไม่เปล่าอยู่บ้าน้เจียจนะปัญหาอยู่ที่ตรงนี้นะถ้าเรามีความตั้งใจตรงนี้การสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้แต่มันก็มีส่วนหนึ่งคือว่าหลักสําคัญในการปฏิบัติธรรมเนาะมันมันไม่ใช่เป็นการเดินทางโดยใช้จุดเท้าถ้าเดยการมีใช้เท้าใช้ภาวนะเนาะมันก็สามารถช่วยกันได้อืเรียกว่าขส่งกันได้ เราจุมกันได้แบกถามกันได้นะตึงเป็นการเดินทางด้วยจิตต้องใช้จิตใจของเรามเป็นการเดินทางจิตใจนี้ไม่มีใครช่วยเราได้ช่วยบอกช่วยแชร์ได้แต่ต้อเป็นการเดินทางที่เราใช้จิตทําเราในการเดินทางเองนะเดินไปเถอะนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่กลัวผิดผิดมีผู้รูมีเพื่อนคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาแหละถ้าเราลัดจุดหนไปลายทางงนี้แล้วไม่ต้องกลัว รวมทุกครังร่งด้างก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตเท่านั้นแหละที่เราวางใจเป็นมจะเห็นทุกอย่างเป็นประสบการณ์ในการฟังจิตเท้านั้นแ่ละผิดถูกดีไม่ดีเป็นประสบการณ์ในการฟังจิตเท้งนั้นเนี่ยแต่ที่จริงนะจิตนี้ก็อืมจะว่าอะไรนะจะว่าเราจะเดินทางเพราะจิตมันมันต้องทํานี่ยบางทีก็ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกันนะก็นนะคิดว่ามันเป็ น, ปนแค่เป็นการ ใช้ชีวิตนี้ท่านั้นะถ้าเราไม่มีการฝึกปฏิบัติจิตนี้ก็รับใช้กิเลสแล้ว ก, ก็หนัความทุกข์นหนักง่ายถ้าเราไม่อยาบทุกเราก็ไม่ต้องรับใช้กิเลสเราก็ต้องฝึกจิตนี้ให้มันมีความรูสตัมีสตะนะนินนะพอมีสติแล้วความไม่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นอยู่ตรง น, นั้นอย่างให้เราจับจุ ต, ตัวนี้มันจะดีนะความไม่ทุกข์มันมีอยูนะ่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้ว มีอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่แหละมัสนสมบูร์มันเพียรพร้อมอยู่อยู่ได้ของมันนะถ้าเราไม่มีจากจุดตรงนี้เนา ะ, นนะมันก็จะมีความไม่ทุกข์เป็นรังบันตอบแทนเราทุกขณะทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่รูวใจไปลุกไปคิดนนี้แหละคือความไม่ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นต่อต่อหน้าตานาะเราเดี๋ยวไปดูตรงนี้วางทีเราชอบประเมินตัเองชอบปียบครั้งตัวเองเกินไปนะ กองปฏิบัติธรรม่ทุกคนนะของปฏิบัติธรรมก็มีความดุลเป็นพื้นฐานอยู่เที่ทุกขณะจิตมีความดุลพื้นฐานถ้าเปรียบซิเบเทียบไปเป็นการรู้ก็คือเป็นศูนย์ก็ว่าได้แต่พอปฏิบัติธรรมไปแล้วบางครั้งดูสึกตัวบ้างบางครั้งด่งไปบ้างวิงทีเราก็ชอบประเมินกินไปบ้างมันดุลมากกว่าที่มันรู้พอเราประเมินตัวเองว่ามันดุลมากกว่าการมู้่็ ทำให้เราก็เครียดทําให้เราก็บีบดคันตัวเองทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราหลงน้อยเปอร์เซ็นเนะรู้สึกตัวเท่ากับศูนย์บอกเท่ากับร้อยแต่พอปฏิบัติทําไปบ้างนะรู้สึกตัวเปอร์เตหนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าปอรเซ็นสิบปอร์เ็นต์นี่ก็ยังถือว่าชีวิตมันแตกต่างนะเหมือนกับคนในขณะที่เดินทางนั่แหละนะถ้าหยุดหยุดกับที่นาะ ก็เท่ากับศูนย์แต่ารที่เดินทางอาจจะเดินได้เก้าหนึ่งแต่ได้ติดเก้าก็ยงถือว่าเป็นการเดินทางของชีวิตอยู่นี่กาเป็นการเตือนทางสู่จุดหมายที่ดีแล้วนะเราอย่าไปประเมินมากนะถ้าประเมินมากมันจะทําให้เราเครียดเหมือนตอนที่ไปเมืองจีนคราที่แล้วมีนักปฏิบัติทําคนหนึ่งแล้วก็ตรงหลังสุดท้ายก็ให้เขาพูดคุยเรื่องอดนิยมปฏิบัติในไหนนะเขาก็มาพูดคุยในกลุ่มบอกว่า เนี่ยก็รู้สึกแบบนี้เที่นาพูมิกีบตอนวันหน้านรู้สึกปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกตัวได้น้อยมากพอวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่จะจบแล้รู้สึกตัวเออได้มากขึ้นเขาก็เปิดเทียเปอร์เซ็นเหมนมันหน้าในลดสักแค่เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นแต่พอวันที่เจ็ดวันที่แปดเนี่ยเออประเมินที่ว่าเองรู้สึกสิบเปรเซ็นได้นะเออสิบเปอร์เซ็นได้แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังน้อยอยู่เพราะว่าเขาไปมองที่ก้าสิบเปอร์เซ็นทียม แต่เมื่อมองพัฒนาการแต่เองที่มันดูมากขึ้นแค่เจ็ดวันรู้เพิ่สิบอร์ซนตนีแต่พอมเราไปมองความหลมความผิดพลาดเก้าสิบซมันดูเปนยิ่งใหญ่นเรต้องหับหองว่าพัฒนาการมันมีอยู่นะอมันมีอยู่แม้ความทุกข์ที่เรารู้ความโกรธความผิดที่เรารู้แต่เราก็เราก็ยังจมไปกับมันอยู่แต่ที่เรารู้ว่าเราทุกข์เน่ยก็เป็นการ ถูกเนะกายนี้ใจนี้ไม่มีสุขหรอกเนีกายนี้ใจนี้ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละพิดพลาดทุกมากหรือทุกน้อยแค่นั้นแหละนะความสุขไม่มีนะพระพุทธเจ้าท่านผอนแค่ยิ่งทุกข์กับการดับ มันการทํางานกองอวัยวะต่างๆของร่างกาย้็เพื่อแก้ทุกทั้นั้นหัวใจที่มันขีดสูบโลหิตมันก็อยู่กับที่มันก็รองเลี้ยงร่างกายนี้ไม่ได้มันก็เรียกว่าดับขันตายกันไปร่างกายนี้ไม่มีแต่ทุกทั้งนั้นแหละนะมีแต่ว่าทุกมากหทุกน้อยทั้งนั้นถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเห็นก่ายนี้มีแต่พุกข แต่เราก็ยังหนุที่จะหาความสุขให้กับการนี้อ้การที่เราว่าสบายเช่นทานข้าวอิ่มนอนหลับสบายดีหรือภาษาที่เราเรียกว่าสบายดีหรือเปล่าฉันสบายดีนฉันสบายดีไม่ใช่แปลว่ามันเป็นความสุขนะฉันสบายที่แปลว่าตอนนั้นไม่ทุกข์เท่าไหร่หรือว่าทุกข์น้อยก็แค่นั้น นี่คือว่านราของร่างกายจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็มีแต่เพียงคือว่าพอเป็นหลงมัวเผอไปกับความคิดนั่นคืออาการที่เราไปทุกข์ที่เราไปหลงแต่พอที่มันไม่หลงมันเป็นปกติปกตินี่จะว่าศกเหรอมันก็ไม่ใช่ให้ปกติคขาทำเป็นแบบนั้นมป็นภาพสีขาวตรงนี้แหละมันก็ไม่มันจะบ้าขาเมากกว่านี้ก็ไม่ได้จะสักกี่ครั้งก็แค่ขาตรงนี้แหละนะ ความขามันก็หยุดแค่กวามขาวแต่ความสกปรกมันก็เข้ามีช่วงครั้งช่วงคราวมันอักไปมันก็ได้แค่ขาวเท่ากับตอนที่มันด้านแรกของมันนั่นแหละนะไม่สามารถทําให้ขาวมากกว่านั้นได้จิตใจที่เปปกติก็เชื่นเดียกันมันก็ดูแค่ตรงนั้นไม่สามารถตูดให้นมสกมากกว่านั้นได้มันก็ได้านแค่ควาเป็นปกติที่มันอยู่ของมันอยู่แล้วมันมีแต่ว่าเอาความรู้ทันเนลาที่มันทุกขวลาที่มันเพอก็แค่นั่นแหละะ จิตใจมันก็กลับมาเป็นปกติของมันนะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมนะเราไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเราเป็นแค่รู้แค่รู้จักมันรู้ว่าแล้วมันจะดับหรือไม่ดับเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือรู้เรื่องของเราคือรู้เรื่ปกติคือรู้รู้มันไปทุกอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้ทุกเนี่ยรู้ทุกเนี่ยพระเจ้าตรัสให้รู้ทุก มาลองตัดทุกที่เป็นอ่าตัดข้อไข่แล้วก็กระดานออกก็ได้นะรู้ทุกอย่างเลยนะอืจำนี้ก็ได้รู้ทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยรู้ทุกเนี่ยคือรู้รู้ตรงนี้นะรู้ทุกอย่างที่มัเกิดขึ้นมีกายในใจเนี่ยนะทุกเพราะทุกอย่างเป็นทุกอยู่แล้วจะเป็นกายเป็นใจมีนทุกอยู่แล้วทุกมากทุกง่ายแค่นั้นแหละให้มันรู้ทุกอย่างไม่สช่รู้ทุกเนี่ย ละที่ความอยากที่อยากจะเป็นละทุกตรงนี้แหละนะและความอยากรู้ว่าทจะไปจัดการมันละละมันซะแต่จริงการละนี้ไม่ใช่เราไปละดอกเมื่อเราดูมันจะระของมันเองเมื่อมันละแล้วมันก็ไม่ทุกทุกมันก็เป็นนีโรดนี่คือการปฏิบัติธรรมนะอืาเรีกว่าทุกสมุทัยโรดมักเนี่ยมันมันเป็นองค์ประกอบที่เร้ยว่าเกิดขึ้นพร้อมกัน มันแยกเป็นผู้ที่คนฟังเฉยแต่ขณะที่รู้ทุกทุจริงๆรู้อย่างแจ่มแจ้งนะมันมีการงะสมุทัยตรงนั้นในทันทีนิโรธก็ปรากฏในขณะนั้นเป็นการเดินทางที่ถูกต้องตามอกมร์นี่คืออาการที่เรียกว่าอริยมรยมันประกอบมันสมดุลอยู่ในตัวนรู้อริยสัจสอย่างแจ่มแจ้งคือตรงนี้นะะคือการรู้ทุกนะ ทุกท่านหลายเนี่ยให้รู้คือตรงนี้นะนะข้อสุดท้ายก็จะเก็บฝากไว้นะมีมีสุภารักษ์บซึ่งอาตมาก็ใช้ครับเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมของตัวเองนะก็คือว่าสัพเพธรมมนารังอภิณเวไสยะทำทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนีเวลาคิดถึงบทธรรมนี้เมื่อไร่นะอาการยึดมั่นถือมั่นมันก็จางคายไปได้เหมือนกันนะ ถ้ามันทำใดไม่ได้ก็ยึดถึงการทำนี้ก็ได้สัจเพธรรมนานามอภิณเวสายยะทำทัง้งใดทั้งปวงไม่ควรยึดมั่งถือมั่นทำจะเป็นธ ร, รรมทอทมก็ดีนะธรรมทอทหารก็ดีนะจะเป็นธรรมกุศลนธรรมเป็นอกุศลนธรรมก็ดีธรรมที่เป็นกลางกลก็ดีพระพุทธองค์ท่านไม่ให้ยึดมั่งถือมั่นนีไม่แต่พันมะเป็นตัวผู้รูเป็นตัวผู้หลม เป็นตัวปัญญาเป็นตัวกิเลสก็ดีไม่ทํอมายึดมั่งถือมั่นมันอืาแค่นี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปของมันนะทําทุกอย่างทั้งตัวไม่ควรยึดมั่งถือมันเมื่อแต่ทำที่เราเห็นว่ามันไม่ดับก็ไปล่อยง่ายแนั้นแหละมัไม่ใช่อะไรที่เราจะต้องไยึดถือกับมันทําทยตางก็เหมือนกันนะทำดีทำชั่วทำกลางกลางก็เหมือนกันนะทําผิดทำถูกก็เหมือนกัน ก็มีคนยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันมันทาไปแล้วเขผ่านไปแล้วก็ทําของใหม่ขึ้นมาทำไปเพ่งแค่กียราเท่านเกียขึ้นใหม่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเขาไปยึดมั่นเป็นผู้ทำสิ่งหนึ่งเรื่องต่างต่างตรนั้นนะอไม่มีทั้งไม่ไปยึดมั่นถือมั่นทั้งทำทอพงโรดวยสองตัวแล้วก็มาม้าแล้วก็ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในทำทอทหารแต่ละอํา่ะ ถ้ า, ามียึดมั่ถือมั่ในทางทั้งหลายในการกระทาทั้งหลายแล้วันจะมีอะไรให้เราทุกข์ราทุกข์เพระ ก, การยึมั่งถือมั่ทั้งนั้นแหละเนาะเ อ, องก็มีได้ประกาวิชวนี